วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบดกุมภาพัน ธ, ธ์พุทธศักราชสอง4ห้าสเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรม เพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนหรือถ้าเป็นเรื่องที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนแล้ว <c oughs> เมื่อได้ยินได้ฟังซ้ำอีก <c oughs> ก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปตามลำดับแล้วจะสามารถช่วยกำจัด <c oughs> ความลังเลสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้หมดมเรื่องที่ท่านอาจจะไม่รู้หรืออาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือความเป็นโชคลาภอันประเสริฐของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>อันนี้ถือว่าเป็นลาภอันยิ่งใหญ่เป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการถู ก, กรัตเตอี่ รางวัลที่หนึ่งเพราะผลที่จะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็คือเราจะได้ไปนิพพานกันได้นั่นเองนิพพานนี้เป็นความสุขสูงสุดสูงยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้ถูกอัลตรางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งความสุขที่ได้ ก็จะสู้ความสุขที่ได้จากพระนิพพานไม่ได้ <Yeah. S 1> นี่แหละคือโชคลาภที่พวกเราได้มาสัมผัสกันได้มารับกันแต่เราอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอันนี้ <Yeah. S 1> แต่พอที่เราได้ยินได้ฟังแล้ว ว่าเรานี้มีโอกาสได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานเราก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของพวกเราถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถึงแม้เราจะมาอยู่วัดอย่างสัตว์เดลชะงาที่อาศัยวัดอยู่ในตอนนี้มีทั้งสุนัขมีทั้งนกมีทั้งลิงสัตว์เหล่านี้ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะรับความรู้จากพระพุทธศาสนาไปได้ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนา แต่ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรได้รับก็เพียงแต่ความปลอดภัยเพราะในเขตวัด น, นี้จะไม่มีการฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในวัดจึงถือว่าเป็นปลอดภัยจากการที่จะถูกผู้ที่ใจโหดร้ายทารุณมาทำร้ายมาทำลายเขาก็ได้รับประโยชน์จากศาสนา เพียงทางร่างกายแต่จิตใจของเขาก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ต, ต่อไปอยังไม่มีวันสิ้นสุดในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่พบกับพระพุทธศาสนาการเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่สามารถพาให้เราไปนิพพานได้ยกเว้นว่าเราเป็นบุคคลที่ มีความรู้มีความฉลาดในระดับของพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถานี<ม>้ท่านก็มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา<ม>เพียงแต่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถที่สูงสุดของมนุษย์ที่จะมีได้ จึงทำให้ท่านสามารถค้นหาพระนิพพานได้ด้วยตนเองมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นนานๆที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะค้นหาพระนิพพานได้ด้วยตนเองนอกากนั้นแล้วอย่างคนอย่างพวกเรานี้ไม่มีทางที่จะค้นพบพระนิพพานได้ด้วยตนเองจะต้องรอพบกับคนที่ได้พบกับพระนิพพานแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสง์สาวกทั้งหลายถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นีเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับพระนิพพานได้อย่างง่ายดายโอกาสที่เราจะได้พบกับพระนิพพานในชาตินี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าทรงรับประกันไว้แล้วว่า ถ้าไม่ภายในเจ็ดวันก็เจ็ดเดือน<ม>ถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากมเราจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เป็นแบบสุปฏิปันโน<ม>ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน<ม> ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสี่ประการนี้แล้วพระนิพพานนี้ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับพระอริยสงสารกแล้วนี่คือบทที่เราสวดในบทพุทธคุณสุปฏิปันโน สาวกสังโฆญาญาสปฏิปันโนสาวกติสังโฆอุเชวปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆนี่คือพระอริยสงฆ์สาวกของพระ พ, พุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายปฏิบัติอย่างถูกต้อง นี่คือการปฏิบัติที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้สำเร็จให้ถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันบ้างภายในเจ็ดเดือนบ้างหรือภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมากจึกปรากฏมีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพ ร, ระธรรมพระปฐมเทศนา คือการแสดงพระธทรมาจากกับประวัตนัสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีก็ปรากฏมีผู้ได้ฟังได้บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมเลยนึ่งท่านคือพระอานยโกนทัญญาแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปเรื่อยผู้ฟังพอฟังเข้าไปก็เกิดความเข้าอกเข้าใจสามารถ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถทำจิตใจให้เข้าสู่พระนิพพานได้ภายในเวลาอันรวดเร็วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราพวกเรานี้ได้โชคกันมหาศาลแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องไปขึ้นรางวัลไปรับรางวัล เหมือนกับถูกเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตัวลอตเตอรี่เมันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองมันจะไม่ให้รางวัลกับเราเราต้องนำลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งเขาเห็นลอตเตอรี่ของเราเขาก็จะได้เอาเงินรางวัลมอบให้กับเราฉันได้การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบเผ่าพรอ พ, พุทธศาสนาแล้ว ก็เป็นเหมือนกับเราได้ลอตเตอรี่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแนละ้วแต่เรายังไม่ได้รับรางวัลรางวัลของลอตเตอรี่ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพาน<ม>การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพ<ม>เราต้องไปขึ้นรางวัลอันนี้ วิธีขึ้นรางวัลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ที่จะมอบรางวัลให้กับเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เหมือนกับเวลาเราไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขว่ามีบัตรประชาชนไหมมีอะไรยืนยันว่าเป็นของคุณหรือเปล่าไม่มีใครไม่ไม่ได้ไปขโมยของใครเข้ามาอะไรเป็นต้นเมื่อเรามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของเรา เขาก็จะมอบรางวัลให้กับเราฉันใดเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วเราก็นำเอาข้อแม้หรือเงื่อนไขของการขึ้นรางวัลนี้ไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ปฏิบัติเพื่อด้วยความถูกต้องนี่คือสีเงื่อนไขปฏิบัติ ด, ดีเป็นยังไงก็ปฏิบัติเต็มร้อยนะัย่นถึงจะปฏิบัติดีคนที่ทํางานเต็มร้อยกับคนที่ทํางาน50 50นี้คนไหนจะดีกว่ากันถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนจ่ายเงินเดือนมีคนสองคนทํางานคนหนึ่งทํางานแค่ 50- 50้าิบ เดืนอนหนึ่งมาแค่สิบห้าวันเด็กคนหนึ่งนี่มาเดือนหนึ่งมาครบทั้งเดือนไม่มีวันขาดเลยเราจะให้เงินเดือนคนไหนมากกว่ากันเราก็ต้องให้คนที่เขามาทำมากเพราะเขาทำงานได้มากกว่าได้ดีกว่าคนที่ทำงานน้อยกว่านั่นเองอันนี้ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็คือต้องปฏิบัติเต็มร้อยอ สำหรับพวกเรานี้ในเบื้องต้นคงยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยกันเพราะเวลาที่จะมาปฏิบัติเต็มร้อยยังไม่มีเพราะเราเป็นผู้ครองเรือนเราเป็นคารวาะเรามีภาระหน้าที่การงานต่างๆที่จะต้องทาอยู่มากมายเลี้ยงดูปากท้องเราเลี้ยงดูปากท้องคนในครอบครัวเราเวลาที่จะเอามาปฏิบัติ ด, ดีเต็มร้อยนี่จึงไม่มี แต่เราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเริ่มต้นการปฏิบัตินี้เราก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติเต็มร้อยได้อยู่ดีนั่นเองแต่ขอให้เราเริ่มปฏิบัติก็แล้วกัน mm hmm. ขอให้เราเอาเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆแทนที่จะเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. เช่นไปดูหนังดูละครไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่างๆนี้ เราเาเวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัติดูมาปฏิบัติสติมารักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วแต่กรณีรักษาได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีรักษาไปศีลจะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติของเราให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นนะเพราะเราจะตัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปนั่นเอง เช่นในกรณีถ้าเราถือศีลแปนี้เราก็จะไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปหาความสุขจากพหอ์อรสนบันเทิงต่างๆไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้ <c oughs> เพราะเราต้องไปอยู่ที่สงบ <c oughs> ไปอยู่ที่วิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่มีการปฏิบัติ <c oughs> เพื่อเราจะได้ปฏิบัติธรรมที่จะ พาให้เราไปสู่พระนิพพานนั่นเองก็คือการเจริญจิตตภาวนา<ม>การเจริญสติสมาธิปัญญา<ม>ที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาที่จำเป็นที่จะต้องปีกวิเวกอยู่คนเดียว<ม>ดังนั้นในเบื้องต้นเราอาจจะไม่สามารถไปปีกวิเวกได้มากเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เช่น เอาเวลาก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมาให้กับการนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสติด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายไหว้พระสวดมนต์สวดบทอิติปิโสไปทําวัดชา้าวัดค่ําอะไรทํานองนี้เวลาสวดมนต์นี้เป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์เราก็จะหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ การฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆนี้เพราะคือความคิดต่างๆเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่พระนิพพานการที่เราจะเข้าสู่พระนิพพานได้เราต้องเข้าสู่พระนิพพานด้วยใจที่สงบใจที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเราจึงต้องฝึกสติกัน เบื้องต้นเราก็ฝึกสติในเวลาที่เราว่างถ้าเราเป็นคาราว่าทุกของเรือนลราอาจจะมีเวลาว่างก่อนนอนหรือหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาคือในยามค่ำหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติอาจจะไปเปิดทีวีดูหนังดูละครหรือไปเล่นเกมหรือไปทาอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำลองเอาเวลานั้นมา ให้กับการไหวพระสวดมนต์ดีกว่าแล้วก็พอสวดมนต์ไหวพระเสร็จก็นั่งสมาธิต่อเพราะเวลาสวดมนต์ไหวพระนี้เราจะมีสติเพิ่มขึ้นตามลำดับจะทำให้เราสามารถนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกได้เราต้องนั่งเฉยๆนั่งกายนิ่งๆแล้วใจเราก็ดูแต่ลมหายใจที่ปลายจมูก เวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกต้องรู้อยู่ทุกขณะอย่าเผลออย่าเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเผลอป พ, พอรู้สึกตัวก็ดินกลับมาดูลมต่อเพราะว่าถ้าเผลอไปคิดแล้วจิตก็จะสงบไปได้แต่ถ้าจิตจ้องจดจ้องจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกอย่าอย่าเคลื่อนย้ายจุดที่เราเพ่งขอให้เพ่งอยู่ที่จุดที่เราเริ่มต้นคือที่ปลายจมูกลมเข้าออกเราจะสัมผัสรับรู้ได้แถวบริเวณปลายจมูกเวลาลมออกเราก็รู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกอย่าตามเข้าไป แล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวหรือหายใจสั้นหรือหายใจเร็วอย่าไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขา mm hmm. เบื้องตอนนี้ส่วนใหญ่ลมหายใจจะยาว mm hmm. แล้วก็จะสั้นไม่ยาว mm hmm. แต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งน่างกายเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งใจก็เริ่มนิ่ง mm hmm. ลมหายใจก็จะเริ่มหายใจยาวขึ้น ละเอียดขึ้นเบาขึ้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเราไม่ต้องการควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมบังคับใจไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้ใช้ลมเป็นเหมือนกับเป็นเสายึดใจไว้ไม่ให้ลอยไปเหมือนเรือที่ที่มาจอดเทียบท่าเรือถ้าเราไม่ต้องการให้เรื อ, อไหลไปตามกระแสนะ้ํา เราก็ต้องผูกเรือไว้กับเสาของท่าเรือตอเราผูกไว้กับเสาของท่าเรือเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้มผู้โดยสารก็จะสามารถขึ้นลงเรือได้อย่างง่ายดายดังใันใจของเราก็เหมือนกันใจของเราถ้าไม่มีอะไรผูกไว้มันจะไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคิดได้ร้อย800ดพัประการคิดคิดมาตั้งแต่ตื่นเนี่ยตั้งแต่เราตื่นมาเราเคยหยุดคิดกันหรือยังคิดกันมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับแม้ทั้งเวลาหลับบางทีก็ไม่หยุดคิดเวลาเราฝันนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกันความฝันก็คือความคิดใจเราคิดในขณะที่เราหลับเพราะเราไม่มีสติควบคุมความคิด ใจของเราก็เลยไม่ค่อยมีความนิ่งไม่มีความสงบไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ต้องเข้าหาความสุขจากการทําใจให้สงบจากการนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง ดังในในฐานะที่เราเป็นผู้เริ่มต้นเหมือนเด็กอนุบาล น, นี้เรามีเวลาน้อยเด็<ม>กอนุบาลไปโรงเรียนเข<ๆ>าก็ไม่สอนมากเพราะเด็กไม่มีความสามารถที่จะซึมซาบความรู้ได้มากเราก็สอนเด็กที่เรล็กเทือน้อยให้อัดให้หัดอ่านก้อไก่ขอไข่หัดนับหนึ่งสองสามอะไรไปก่อนฉันใดสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้ ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคารวาสกันทั้งนั้นเป็นผู้คองเรือนก็ลองมาฝึกสติด้วยการไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงสวบดบทไหนก็ได้สวดซ้ำๆกันหลายๆรอบก็ได้ถ้าจะให้ดีอย่าไปเปิดหนังสือสวดให้สวบดบทที่เราพอจะจำได้เพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องส่งออกไปทางตานั่นเอง การสวดการนั่งสมาธิการฝึกสตินี้เราต้องการดึงใจให้เข้าข้างในให้ดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะได้เข้าไปข้างในได้ตอนนี้ใจเราส่งออกมาข้างนอกส่งออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมารับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่ร้อน เวลาที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลินน่นร้นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่ร้อนคือเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ถาวรแล้วเวลาที่มันหมดไปมันก็ทําให้ใจเราร้อนขึ้นมาใจใจเราทุกข์ขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการดึงใจเข้าข้างใน ดึงใจเข้าข้างในเข้าสู่สมาธิเข้าจูเข้าสู่ความสงบใจจะเย็นใจจะมีความสุขแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนถึงแม้วา่าเวลาออกจากสมาธิมาความร้อนของใจก็ยังไม่มีเป็นความสุขที่ดีกว่าเราจึงต้องมีสติเป็นผู้ดึงเพราะตอนนี้ใจของเราถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยาก ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผพลธภะคอยผลักดันจิตใจให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นลดกันอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อลองสังเกตดูพอเราตื่นเช้าขึ้นมานี่ใจเราคิดถึงอะไรนะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรแลนะ้วจะดื่มอะไรดีจะกินอะไรดีจะไปไหนดีจะไปดูอะไรดีจะไปฟังอะไรดีมันคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้ตลอดเวลา เพราะว่ามันมันมันเป็นแหล่งของความสุขที่มันรู้มันไม่เคยรู้จักแหล่งของความสุขอี ก, อ, กอันที่ดีกว่าก็คือความสงบของใจมันก็เลยไม่เคยคิดว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บนั่งสมาธิต่อดีไหมมันไม่คิดถ้าไม่เคยนั่งมาก่อนถ้าไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่ได้จากสมาธิมาก่อนนี้ใจจะไม่คิดถึงการไปนั่งสมาธิเลย แต่สำหรับผู้ที่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากสมาธิแล้วนี้จะคิดไปคนละทางเลยพอตื่นขึ้นมาก็จะคิดว่านั่งสมาธิก่อนดีกว่าทาใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้มีความสุขแทนที่จะคิดไปหาความสุขภายนอก<ม>ก็จะคิดแต่จะหาแต่ความสุขภายในยดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องสร้างสติขึ้นมา เพื่อจะได้ดึงใจที่ถูกกระแสของกิเลสตัณหาดึงให้ออกไปข้างนอกให้กลับเข้ามาข้างในให้ได้ถ้ากระแสของกิเลสตัณหายังมีกำลังมากกว่ากระแสของสติกำลังของสติจิตก็ยังจะเข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนกับการชักะเยาะกันของของสอ ง, สองฝ่ายฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปทางด้านของฝ่ายนั้น ทั้งใดสติกับกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนคู่ต่อสู้กันเป็นคู่แข่งกันสติก็พยายามดึงใจให้เข้าสู่ความสงบกิเลสตัณหาก็พยายามดึงใจให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใหญ่ตอนนี้พวกเราแพ้สติแพ้กิเลสตัณหากันส่วนใหญ่มันจะพาเราไปหาความสุข ทางตาหูจมกูกร่างกายไปนี้มันจะไม่ค่อยดึงให้เราเข้าไปหาความสุขจากความสงบกันนะเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไม่รู้สิได้ซ้ําไปว่าเรามีความสุขที่ดีที่วิเศษรอเราอยู่ภายในใจของเราเองนะถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนี่เราจะไม่รู้เลยว่าเรามีของวิเศษอยู่ในใจของเรา คือความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงนี้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ลาบคือเงินทองไม่ได้อยู่ที่ยศคือตําแหน่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญยกย่องไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ย um um ิ่งใหญ่ความสุขท um ี่เหนือก um um ับความสุขทั um ้งปวงนี้มันอยู่ในใจของเราเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกัน อเรารู้แล้วว่าวิธีที่จะทําเวลานี้มีความสุขมากๆนี่ก็คือวิธีเข้าสมาธินั่นเองหึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้เราก็เริ่มฝึกสติกันเริ่มหาเวลากําหนดเวลาขึ้นมาเช่นยามค่ําคืนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วตามปกติเราก็อาจจะใช้เวลาดูหนังดูละคร หรือทำอะไรที่ไม่จำเป็น่าต้องทำลองเอาเวลานั้นมาไหว้พระสวดมนต์ดูแล้วก็นั่งสมาธิกัน<ม>ตอนต้อนอาจจะนั่งไม่ได้มากเพราะว่ากำลังของสติมีน้อยสู้กำลังของกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหาก็จะทำให้เรารู้สึกปวดอัด<ม>เวลาที่เราต้องนั่งเฉยๆนี้เราจะรู้สึกปวดอัดแต่ถ้าเรา เวลาที่เรานั่งดูหนังฟังเพลงนี่มันจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะมันมีอะไรให้ดูให้ฟัง<ม>แต่พอเวลานั่งสมาธินี่ไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังมันก็เลยสร้างความอึดอัดขึ้นมาจนทา จ, จนกระทั่งไม่อยากจะนั่งเพราะมันรู้สึกมันอึดอัดแต่ถ้าเรารู้จักวิธีใช้สติเจริญสติในเวลาเรานั่งเช่นสวดมนต์ไปเวลานั่งนี้เราก็สวดมนต์ไปก็ได้ เราทำการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ต้องแยกสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิก็ได้พอ mm hmm. เราจะเริ่มนั่งสมาธิหลับตาถ้าเรายังดูลมไม่ได้เพราะดูแล้วมันอึดอัด mm hmm. ก็ให้มันสวดมนต์ไปก่อน mm hmm. สวดมนต์ไปภายในใจ mm hmm. จ, ะจะสวดอิติปิโสร้อยจบก็ได้ mm hmm. ถ้าสวดอิติปิโสได้สักร้อยจบครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี้ ใจจะมีสติมากแล้วกิเลสตัณหาที่จะพยายามผักดันให้ใจออกไปข้างนอกมันจะอ่อนกําลังลงความรู้สึกอึอดอัดที่นั่งเฉยๆนี้มันจะหายไปแล้วมันจะทําให้เราสามารถนั่งดูลมต่อไปได้ดังั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เวลาฝึกสมาธิถ้านั่งเฉยๆดูลมแล้วอึดอัดก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง นั่งหลับตานั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินี่แหละแล้วก็สวดมนต์ไปสวดอิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไปสวดไปเรื่อยๆแล้วใจจะเบาจะเย็นจะมีความสุขแล้วพอเรารู้สึกเหนื่อยจากการสวดก็หยุดสวดแล้วก็หันมาดูลมหายใจต่อแทนต้องมีสติทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีสติอยู่ ก, การสวดมนต์ ตอนสวดมนต์แล้วรู้สึกเหนื่อยก็หยุดสวดแล้วเปลี่ยนสติมาที่ลมหายใจเข้าออกแทนเพราะดูลมนี้ไม่ต้องสวดไม่ต้องใช้กําลังเพียงแต่ดูเฉยๆต mm hmm. อนนี้ก็จะดูได้เพราะว่ากําลังของสติมันถูกกําลังของกำกำลังของกิเลส ต, ตัณหามันถูกกําลังของสติตัดไปทําให้มันอ่อนกําลังลงมันจะทําให้รู้สึกว่านั่งเฉยๆได้ไม่รู้สึกเหนื่อยอัด แล้วนนั้นเราก็สามารถดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรดูเวลาลมเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบหรือบางทีลมมันแผ่วจนกระทั่งมันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดูดูความว่างไปดูความไม่มีลมไป หรือว่าตอนนี้ไม่มีรงอยู่ที่ปลายจมูกให้สัมผัสก็ดูที่ปลายจมูกไปเฉยๆดูว่าคิดอะไรหรือเปล่าอย่าให้คิดหรือว่าถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพอเวลานั่งไปนั่งไปนี้พอจิตเริ่มสงบนี้อาจจะเกิดปิติขึ้นมาก็อาจจะเกิดน้าตาไหลอาจจะเกิดความรู้สึกรู้สึกขนพองขึ้นมา ก็อย่าไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปอะไรให้รู้เฉยๆแล้วก็กลับมามีสติอยู่ที่ลมต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้ดูลมต่อไปถ้า ด, ดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าลมหายไปก็ดูดูใจเลยดูความคิดเลยว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดถ้ามีสติ จะพอรู้ว่าคิดปั๊บความคิดก็จะหยุดทันทีก็คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันควบคุมด้วยสติควบคุมความคิดตัวเดียวอย่าให้มันคิดแล้วพอจิตสงบแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตมันนิ่งมันไม่มันไม่มีปัญหาแล้วเราไม่ต้องควบคุมมันแล้ว เหมือนกับรถยนต์เวลาที่เราจอดนิ่งดับเครื่องแล้วทีเราก็ไม่ต้องไปควบคุมรถยนต์จะนั่งจะหลับในรถก็ได้จะทำอะไรในรถก็ได้เพราะรถไม่เคลื่อนไหวนะใจก็เหมือนกันพอใจสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้มีสติคอยคุมใจอย่าให้คิดต่อนั้นเองถ้ามันจะคิดถ้ามีสติหยุดมันได้ก็หยุดมันให้มันนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนานๆ จนกว่าจะควบคุมมันไม่ได้มันก็เริ่มคิดเนี่ยก็ค่อยออกมาจะออกจากสมาธิมาหรือถ้าว่าเราชอบเรามีความสุขกับความสงบอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็เริ่มดูลมใหม่อีกรอบก็ได้ดูที่ปลายจมูกต่อหรือถ้าดูไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปข้างในได้ได้อีก พยายามทำอย่างนี้เรื่อยๆทำให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาที่เรามีอยู่พอเลิกเราก็หลับนอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็พยายามตื่นให้มันมีเวลาได้นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทำธุรกิจภารกิจต่างๆ ต, าง ต, างต่อไปดั น, นั้นนี่คือการปฏิบัติของคารว่าทูกองเรือนผู้ที่ยังมีภารกิจหน้าที่ต่างๆที่จะต้องทากัน ก็หาเวลาที่เราพอจะมีสำหรับตัวเราเองคือเวลายามค่ำก่อนนอนและเวลาตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติสมาธิจิตเราสงบนี้เราจะนอนไม่มากนอนห้าหกชั่วโมงก็รู้สึกอิ่มพอแล้วสำหรับคาวะเริ่มต้นพอตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะตื่นเช้าตื่นตีห้า เราก็มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไปถึงหกโมงหรือหกโมงครึ่งเจ็ดโมงสุดแท้แต่กรณีอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราพอที่จะหาได้เพื่อมาใช้กับการปฏิบัติอันนี้เราต้องเป็นผู้หามันเองถ้าเราไม่หามันมันไม่มานะเพราะกิเลสมันจะคอยดึงให้เราไปเอาเวลาไปใช้กับเรื่องของกิเลส้ะส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่นอนก็ให้ดูหนังฟังเพลง ถ้านอนก็ให้นอนมากๆนอนให้ตื่นสายโดไปเลย<ม>พอตื่นมาก็ต้องลุกเรียบรีบไปอาบ น, น, น้อ า, นานอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวรีบไปทำภารกิจการงานต่างๆเวลาที่จะนามาใช้กับการปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเลยเห<ม>็นเราต้องกำหนดเวลาของการปฏิบัติ<ม>เหมือนกับทำตารางตารางเรียน<ม>เวลาไปโรงเรียนนี่ที่โรงเรียนเาจะมีตาราง เวลา8โมงเข้าแถวตรงชาติกระบตรงชาติเสร็จขอเข้าห้องเรียนก็เรียนวิชาที่หนึ่งพอ9โมงถึง10โมงก็เรียนวิชาที่สองมันต้องมีตารางเวลาของการกระทาต่างๆการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องทำตารางเวลาหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จปับ๊บอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยอก็แยกกันเข้าสู่ห้องนอนของตน ไหว้พระนั่งสมาธิไหว้พระไปสวดมนต์ไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพอนอนปั๊บก็กำหนดเวลาตื่นนอนห้าหกชั่วโมงก็พอตื่นตีห้าจะได้มีเวลาลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อถ้าทําอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสที่จะทําค่ายการปฏิบัตินี้เป็นสุปฏิปันโนได้เพราะเราพอได้ปฏิบัติแล้วนี้ เราจะได้สัมผัสกับผลถึงน่าจะไม่มากในเบื้องต้นอาจจะได้สัมผัสกับความเย็นกับความสบายอกสบายใจอาจจะไม่ถึงกับจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเต็มร้อยก็ตามแต่อาจจะได้เป็นเซี่ยวก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยมันก็ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิของการนั่งสมาธิเราก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้น เราก็จะหาเวลาวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเช่นวันหยุดทำงานถ้าเราไปทำงานนี่เราก็ทำแค่จรันร ถ, ถึงสุขพอเสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาว่างเราก็เอาเวลาวันเสาร์ที่นี้ไปหาที่อยู่คนเดียวไปที่ไปอยู่ที่วัดที่มีการปฏิบัติวัด ท, ที่มีการปฏิบัตินี้เขามักจะมีที่อยู่ให้เราอยู่แยกกันอยู่ อยู่กันแยกกันอยู่แล้วจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลย<ม>ได้เจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสลับกับการนั่งสมาธิไปจนะทั่งถึงเวลานอนเลย<ม>แล้วพอเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อ<ม>ทำอย่างนี้วันห น, หนึ่งหนึ่งวันกันหนึ่งคืนสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้น เราก็ต้องเพิ่มในวันที่เรามีวันหยุดทํางานแทนที่จะวันหยุดทํางานไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันลองเปลี่ยนมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันจะดีกว่าไปหาสถานที่ปฏิบัติที่เขาให้เราไปอยู่ให้เราไปปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิตามลาพังได้แล้วก็ จ, จะมีการสั่งเทศฟังธรรมเหมือนที่นี่ จะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นรู้วิธีรู้บายต่างๆวิธีแก้ปัญหาเวลาเกิดมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติก็ต้องอาศัยมีครูมีอาจารย์คอยคอยอบรมสั่งสอนคอยช่วยแก้ปัญหาให้อย่าปฏิบัติตามลำพังคนเดียวถึงแม้ว่าจะรู้แต่ก็จะไม่รู้หมดทุกอย่างอาจจะรู้แบบข้าวๆ แต่พอไปเจออะไรขึ้นมาก็อาจจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอาจจะหลงหรืออาจจะพาให้เราไปทําอะไรที่เสียหายต่อไปก็ได้ mm hmm. คนที่เขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็เป็นเพราะส่วนใหญ่ปฏิบัติแบบไม่มีครูไม่มีอาจารย์ mm hmm. ปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตน mm hmm. ตอนเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจขณะที่ปฏิบัติก็ไปหมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาน mm hmm. แล้วก็ทำให้หลงคิดว่าเป็นเป็นจริงอย่างที่ตัวเองคิดทั้งที่ความจริงมันเป็นแค่ภาพลวงภาพหลอกทั้งนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องต้องมีครูมีอาจารย์คอให้ความรู้เป็นระยะระยะไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาออก็เข้าหาครูบาอาจารย์เป็นระยะระยะเวลาการปฏิบัติเรามีอะไรแปลกแปลกใหม่ ที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไปปรึกษาได้<ม>หรือว่าปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้ามันก็ลองไปฟังเทศฟังธรรมลองฟังอุบายแปลกๆวิธีแปลกๆที่จะกระตุ้นการปฏิบัติของเราให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไป<ม> น, นี่พูดถึงตอนที่เป็นคารวสถ้ายังต้องทำงานอยู่ก็ต้องหาเวลาที่พอจะหาได้จากกิจกรรมอย่างอื่น เห็นการหาความสุขทางบันเทิงทางมหรสพก็เปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมการนั่งสมาธิแทนแล้วพอวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดไปหาไปสถานที่สงบไปหาสถานที่สงบปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาในวันหยุด ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วผลจะเริ่มปรากฏให้เราเห็นแล้วเราจะเห็นความความแตกต่างระหว่างความสุขที่เราได้จากการฝึกสมาธิกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายจะเห็นว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินก็ออจะทำให้เรามีความยินดีมีความขยันมากขึ้นอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เราก็อาจจะลดเวลาการทำงานลงเพราะถ้าเราเริ่มมีความสุขจากการจากการเข้าสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองมากส่วนใหญ่เงินทององเราก็มีไว้เพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยกเว้นเงินที่เราต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองส่วนที่เหลือเราก็มักจะไปซื้อความสุขต่าง ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆทั้งๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่พอเห็นแล้วมันชอบถูก อ, อกถูกใจถ้าได้ซื้อมาแล้วมีความสุขก็เลยหมดเงินทองกับการไปซื้อของซื้อความสุขต่างๆแต่พอเราได้ความสุขที่ดีกว่าจากการนั่งสมาธิมันจะทำให้เราไม่มีความคิดอยากจะไปซื้อนูน่นซื้อนี่ไม่ยังมีความคิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่มีความคิดอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไป หาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆและคิดแต่จะไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิ<ม>การไปฝึกสมาธิไปหาที่สงบนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากอย่างมากก็ทำบุญค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรไปตามกำลังของเรา<ม>เราก็จะเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทางมากมายเหมือนเมื่อก่อนเราก็อาจจะลดการทำงานลงก็ได้<ม>เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพิ่ม ให้กับการปฏิบัติมากขึ้นถ้าเป็นงานที่เราลดไม่ได้เราก็เปลี่ยนงานก็แล้วกันถ้าเคยเป็นงานประจำต้องทำงานทั้งอาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ก็เรามาเปลี่ยนทำงานที่เราเลือกเวลาของเราทำเองได้เช่นไปเป็นเซลแมน man, ไปขายขายของขายสำอางขายอะไรต่างๆขายประกันเราก็หาเวลาที่เราต้องการไปขายได้จัดเวลาได้ เราอาจจะไม่ต้องหามากเพราะเราหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็พอแล้วก็หาเงินมาเพื่อใช้กับค่าทาบุญทาทานเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าเราทำอย่างนี้นะเราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นวันหออยุดทำงานก็จะมีมากขึ้นจากสองวันหาจจะเป็นสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งอาจจะทำแค่สองสามวันก็พ อ, อพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองอพออยู่ได้เอาเวลามาหาความสุขจาก การนั่งสมาธิดีกว่าเพราะความสุขที่ต้องใช้เงินทองนี้มันเหนื่อยเหนื่อยเพราะต้องเหนื่อยกับการหาเงินหาทองแล้วพอใช้ไปแล้วมันก็หมดความสุขที่ได้ก็หายไปได้เดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาจากพอกลับมาจากการไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขนั่นก็หายไป บ่อยให้เรามีแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์บังคับไม่ให้เราไปเที่ยวไปไม่ได้เช่นตอนนี้มีโรคระบาดทีนี้ก็เลยเครียดกันอยู่บ้านก็เครียดถึงแม้จะมีเงินไปเที่ยวแต่ก็ไปไม่ได้หรือว่าไม่มีเหตุการณ์ไปได้แต่เงินหมดก็ไปไม่ได้เงินไม่พอใช้ก็เครียดอีก แต่การหาความสุขจากสมาธินี้ไม่ต้องใช้เงินไม่มีวันเครีจากการฝึกสมาธิเนี่ย น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขคือท่านสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน พอดีปานก็คือความสงบนี่แต่เป็นความสงบที่ถาวรต่างจากความสงบของสมาธิความสงบของสมาธินี้สงบเป็นพักๆเวลามีสติกาลังมากกว่ากิเลสตัณหาจิตก็สงบแต่พอเวลาสติอ่อนกำลังลงกิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็มาทาลายความสงบมาสร้างความอยากสร้างความหิวต่างๆให้กับใจ อันนี้เป็นขั้นของสมาธิพอเราได้สมาธิแล้วเราก็เข้าขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะทําให้เราฆ่ากิเลสตัณหาให้ให้ลาบคาบเลยให้หมดไปเลยขั้นสตินี้เป็นเหมือนขั้นเพียงแต่ผูกมัดเอาไว้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ขั้นปัญญานี้คือขั้นคือขั้นขั้นปราหารชีวิตปัญญานี้จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจได้ ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้สติไม่ต้องใช้อะไรมาบังคับเพราะตัวที่ก่อความวุ่นวายให้แก่จิตก่อความไม่สงบให้กก่จิตคือกิเลสตัณหาได้ถูกปัญญาทำลายไปอย่างราบคาบแล้วเมื่อกิเลสตัณหาถูกปัญญาทำลายอย่างราบคาบจิตก็จะสงบอย่างถ้าวอนจิตก็จะได้พระนิพพานขึ้นมาต่อไป อันนี้พูดให้ฟังข้าวๆก่อนแต่ขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องขั้นตอนเริ่มต้นของเราก็คือเราต้องพยายามหาเวลาให้มีกับการให้กับการปฏิบัติให้ให้มากขึ้นก่อนตอนต้นก็เอาเวลาที่เรามีอยู่นียเพียงแต่เปลี่ยนเอาเอาเวลาที่เราไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายมาใช้กับการนั่งสมาธิแทนนั่งสมาธิสวดมนต์ไป แล้วจิตเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเย็นเริ่มสบายเริ่มมีความสุขขึ้นมาพอเรา เ, เริ่มเห็นผลแล้วเราก็จะมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นความลังเลสงสัยในพระธรรมคาสอนความเป็นจริงหรือไม่นี้มันจะหายไปพอเราได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เ, เราจะรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำคำสอนที่แท้จริงตรงกับความเป็นจริงตามหลัก ตามหลักที่เราสวดในบทสวาขาโตพระกัตาธโมเนี่ยสวาขาโตพระกัตาธโมแปลว่าทมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วําสอนของพระพุทธเจ้านี้ตรงกับความจริงทุกประการถ้ามีสติทมจิตให้สงบได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจอันนี้เป็นของแปลกประหลาดมากสัจจันร์เรามีความสุขที่วิเศษอยู่ในตัวเราแล้วแต่ตอนนี้ถู ก, กิเลสตัณหามันมัน ติดกั้นไว้ไม่ให้เราได้พบนั่นเองทีเด็ดมันจะหลอกให้เราไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลอกให้เราไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินไปดื่มอะไรต่างๆแล้วก็เป็นความสุขแบบแบบเล็กๆน้อยๆแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วยังทําแล้วก็ไม่ให้ความอิม่มความพอ กเพิ่มความหิวความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบ<ๆ>เพราะจิตสงบแล้วจิตจะอิ่ม<ๆ>จิตจะเริ่มมีความรู้สึกพอแต่ไม่อยากได้อะไร<ๆ>อันนี้แหละต่างกันตรงนี้<ๆ>มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะของดีๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรา แต่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกัเราจะหลงกิเลสจะหลอกให้เราไปหาความสุขที่นูน่นที่เมืองนอกเมืองนาที่เกาะนั้นเกาะนี้ไปแล้วเป็นไงไปเสร็จแล้วก็้ากลับมาบ้านไปแล้วก็สุขเดียวเดียวพอกลับมาก็เหลือแต่ความทรงจำเอาไว้เท่านั้นเองแต่ความสุขมันไม่ได้อยู่ในความทรงจาด้วยความสุขมันหายไปหมดแล้ว แต่ความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันจะอยู่ในใจของเราเพราะมันเป็นของใจมันอยู่ในใจอยู่แล้วเพียง<ม>แต่เราไม่เปิดให้มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เราต้องทำให้มันปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้<ม>ด้วยการปฏิบัติธรรมนีจ่จะเจริญสติเบื้องต้นต้องจเจริญสติวิธีง่ายๆก็คือสวดมนต์ไป<ม>ถ้าเรายังไม่สามารถจเจริญสติแบบนั่งปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนได้ ก็มาจริญสติในช่วงที่เรานั่งสมาธิเลยก็ได้แต่เรานั่งสมาธิก่อนจะดูลมหายใจเราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสสวดบทไหนก็ได้ไม่ไม่สคัญไม่ต้องรู้ความหมายการสวดนี้เพื่อให้ใจมีงานทำเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเพื่อใจจะได้ว่างจากอารมณ์ต่างๆ ก็ถ้าเราไม่สวดนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาได้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างแล้วอาจจะทําให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้เฉะนั้นเราต้องมีอะไรคอยรังนับความคิดและอารมณ์เหล่านี้ด้วยการสวดหมดสวดบนหนาก็ได้สวดสั้นๆก็ได้ถ้าที่เกียดสวดยาวสวดอารหังสามมาไปเรื่อยๆเนี่ พังสมาสวาขาตูสุปฏิปันโนแล้วกลับมาสวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้สวนไปขอให้เราอย่าหยุดสวดสววให้มันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วกิเลสตัณหามันก็จะเหนื่อยตามมันก็จะไม่มีแรงที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาได้เรารู้สึกเหนื่อยก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อดูที่ปลายจมูกเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ เราไม่ต้องไปสนใจถ้ามีอาการอะไรแปลกๆ ป, ปรากฏขึ้นมามีแสงมั่งมีเสียงมั่งมีอะไรก็อย่าไปสนใจมันเป็นผลพลอยได้จากการนั่งสมาธิไม่ไม่มีอันตรายไม่ต้องไปกลัวแล้วก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราเกิดไปชอบก็อย่าไปหลงไหลกับมันอย่าไปสนใจมันมีทั้งสิ่งที่น่าน่ายินดีและสิ่งที่น่ากลัว ที่จะอาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิได้แต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นภาพหลอกเป็นมายาเป็นเหมือนภาพพยนต์ที่เราดูมันไม่มีผลกระทบต่อคนดูคนดูคุอใจนี่เหมือนคนที่ดูหนังนี่หนังในจอจะยิงกันจะฆ่ากันยามีพิษมีภัยอะไรต่างๆมันไม่มันไม่มไมออกมากระทบกับคนดู แันใดเวลาเรานั่งสมาธิเรามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมาในใจนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปกลัวมันไม่มาทำอะไรเราจิตผู้รู้นี่ก็จะรู้เฉยๆไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะตื่นเต้นตกใจใกลายเป็นก็ตายตื่นตูมขึ้นมาได้โอ้ยเราจะตายแล้วเราจะอั น, นั้นจะเกิดกับเราอันนี้จะเป็นอันนั้นอย่าไปเชื่อนะอย่าไปหลงไหลมันเป็นเพียงแต่ภาพหลอกภาพหลอนให้รู้แล้วปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปหมดว่ามันเปนของไม่ที่มันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ได้เหมือนกับธรรมชาติต่างๆเช่นลมพัดหนีลมพัดเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้บางทีมันก็พัดเบาบางทีมันก็พัดแรงมันพัดก็ปล่อยมันพัดไปถ้ามันจะมีผลเสียก็ผลเสียกับร่างกายแต่มันจะไม่มากระทบกับใจ ไม่มีอะไรจะสามารถมาทำลายใจได้ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกหรือของภายในใจเองก็ตาม ขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไว้เราจะได้ไม่กลัวบางคนกลัวไม่กล้านั่งสมาธิกลัวจะไปเห็นผีเห็นอะไรต่างๆเขาเห็นสิ่งที่น่าเกียดน่ากลัวไม่ต้องกลัวถ้ามีพุทโธหรือมีสตินี้เวลาเห็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือรู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจสักแต่ว่ารู้รู้ว่ามันเป็นภาพเท่านั้นเอง มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเวลาเราดูภาพระยนต์ผีอย่างนี้ดูหนังผีมันก็เป็นแค่หนังเทนั้นเองมันไม่มาทำร้ายเราหรอกแต่ใจเราเผลอสติไปคิดว่าเราจะถูกทำร้ายเลยไม่กล้าดูภาพนั้นความจริงมันไม่มาทำอะไรเราหรอก นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลานั่งสมาธิเห็นต้องมาเล่าให้ฟังก่อนจะได้รู้ว่าจะอาจจะเจออะไรเจอแล้วไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเราออกจากสมาธิมามันก็เหมือนจากเหมือนกับออกจากรองภาพยนตร์พอเราออกจากโรงภาพยนตร์นะเหตุการณ์ในลกในโรงภาพยนตร์มันก็ไม่ตามมาหาเรา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิมันก็อยู่แค่ในสมาธิเนทะ่านั้นเราออกจากสมาธิมามันก็หายไปนะเราจะคิดถึงมันบ้างแต่ก็ไม่มันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะเราก็ใช้สติควบคุมจิตของเราให้เป็นปกติไม่ให้ตื่นเต้นตกใจไม่ให้หวั่นไหวใช้นิ่งสงบแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติต่อไปนะ แต่นั้นไม่ต้องกลัวการนั่งสมาธิไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ได้ทําให้เป็นบ้าได้นอกจากจะเป็นบ้าอยู่แล้วแล้วไม่มีคนสอนคนบอกพอไปนั่งแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่เข้าก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นบ้าได้แต่ถ้าได้มีการเรียนไว้ก่อนมีการบอกให้รู้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นเพียงแต่ภาพหลอกเป็นมายามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราคิดนะ บางทีเราไปคิดว่าเราเป็นเทวดาแล้วเราไปถึงนูน่นถึงนี่แล้วอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงให้เรารู้หลังนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงเวลาปฏิบัติธรรมนี่เป้าหมายของเราเราไม่ต้องการภาพเหล่านี้ไม่ต้องการเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏ้นมันไม่ใช่เป็นของจริงของจริงที่เราต้องการคือความสงบนิ่งของใจอันนี้แหละคือของจริงใจที่นั่งใจที่นิ่งที่สงบนี้มีพลัง จะไม่หวั่นไหวเป็นเหมือนก้อนหินอารมณ์อะไรต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะมาขยับใจได้ไม่สามารถมากระทุง้งมาเขย่าใจได้ถ้าใจมีสมาธิมีสติเจอเหตุการณ์อะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้เฉยได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดตัวไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้แหละคือผลที่เราต้องการ คือความตั้งมั่นของจิตใจความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจใจที่ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจถ้าใจสงบนิ่งแล้วใจจะเป็นอย่างนั้นจะรู้เองอันนี้เพียงเล่าให้ฟังเท่านั้นเองซึ่งถ้าท่านยังไม่เคยพบกับใจที่นิ่งที่ไม่มีอารมณ์ที่ที่ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆนี้จะไม่เข้าใจ แล้วจะมานั่งนั่งนั่งทาให้มันเป็นด้วยความคิดไม่ได้คิดว่าต่อไปนี้เราจะเฉยๆจะไม่มีอารมณ์กับอะไรนี้ก็พูดไปเถิดพอเจองูเข้าทีเดียวก็กระโดดเจ๋งแล้วนะพอเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตื่นเต้นตกใจกัน ท, ทันทีแต่นี่ถ้ามีสมาธิมีสติแล้วจิตมันนิ่งจริงๆนี้เวลามันเจออะไรมันจะเฉยนะมันมันจะไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวแต่อย่างใด และนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิเราต้องการให้ใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราสงบใจเราสบายขั้นต้นเราก็ได้แบบชั่วคราวคือได้ด้วยสติเขาเรียกว่าสมาธิพอเราได้ขั้นสมาธิแล้วเราก็ไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาเพื่อทําให้ความสงบนี้เป็นสงบที่ถาวรความนิ่งของใจให้เป็นความนิ่งที่ถาวร ด้วยการใช้ปัญญ า, ญญากำจัดกิเลสตัณหาตัวกิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่นิ่ง mm hmm. พอเห็นเงินปั๊บนี่ใจไม่นิ่งแล้วพอรู้ว่ามีโอกาสจะได้เงินก้อนนี้ปั๊บนี่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว mm hmm. มีใครมาเสนอรายได้ให้นี่พอพอได้ยินได้ฟังปับ๊บใจที่เคยนิ่งนี่ไม่นิ่งแล้ว mm hmm. ถึงแม้มีสติเคยนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งเพราะความโลภความอยากในใจมันยังมีอยู่ น, นี่ต้องมาใช้ปัญญาทําให้มันกลับไปนิ่งด้วยการบอกว่าเงินทองก็ของชั่วคราวนะตายไปก็เอาไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปถ้าไม่หมดถ้ามีไว้ก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษามันอีกต้องมาห่วงแล้วเวลาหายไ ป, ห, ยไปหรือเสียไปก็เสียอกเสียใจอีกนอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าเงินทองเป็นทุกข์ เป็นทางไม่แท้ไม่แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานก็ไม่รู้วันดีก็ดีมันอาจจะจากเราไปก็ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่มาทําให้ใจเราโลภว่ามันไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เร า, าก็เราไม่เอากันดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปมีมันเราก็อยู่ได้มีความสุขอยู่แล้ว แล้วมันก็จะกำจัดความโลภความรักความชังอะไรต่างๆได้หมดด้วยปัญญา <Okay. S 1> พอความโลภความรักชังโกหลงนี่หายไปจากใจอย่างทาวอนนะทีนี้ใจมันจะไม่มีวันที่จะตื่นเต้นตกใจกับอะไรต่อไป <Okay. S 1> ใจจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขตลอดเวลา <Okay. S 1> อันนี้แหละท่านเรียกว่าพาณิพานพาณิพานคือใจที่ได้ รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่มาทำให้ใจไม่สะอาดก็คือกิเลสตัณหาโมหะวิชาความรักชังโกหลงนี่ที่เราสามารถใช้สติปัญญาเป็นเครื่องชำระกำจัดให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้พอเรามีสติปัญญาเต็มร้อยสติปัญญาก็จะคุมใจไว้เหมือนกับเวลาที่ ยานี้มารักษาโาครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราพอยามีประสิทธิภาพเต็มร้อยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เต็มร้อยเชื้อโรค ก, ก็จะตายหมดแล้วก็จะพอเชื้อโรคตายหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายไปฉันใดถ้าเรามีสติปัญญาเต็มร้อยเราก็สามารถคุมกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้เต็มร้อย กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เคยมาก่อกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามันก็จะไม่มีโอกาสที่จะออกมาแสดงตัวได้ใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้แะที่เราเรียกว่าพระนิพพานเ น, นี่ยพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใจนี้ต้องใจเป็นใจของผู้หญิงหรือใจของผู้ชายใจของนักบวชหรือใจของฆราวาส ใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดสามารถปฏิบัติทําได้เท่ากันหมดร่างกายนี้ต่างกันจริงอยู่ตาม ใจนี้ไม่ต่างกันใจสามารถรักษาศีลได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายสามารถนั่งสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชรือเป็นคารวะสามารถที่จะเจริญปัญญาได้ทุกคนถ้าเราตั้งใจจะทำาท่านั้นเองแล้วก็รู้จักวิธีทำที่ถูกต้องพอเราทำไปแล้วเดี๋ยวเราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความสามารถที่จะ กำจัดกิเลส ต, ตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวโหยให้กับใจให้หมดไปพอสิ่งเหล่านี้หายไปหมดแล้วใจเราก็จะอิ่มจะพอตลอดเวลาจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือรางวัลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาน ต้องมีทั้งสองอย่างนี้ถึงจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้วิธีไปนิพพานว่าไปอย่างไรถ้ามีถ้ามาเกิดมาพบาพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถเรียนจากพระพุทธศาสนาได้ถ้าเรามาเกิดเป็นนกหรือเป็นแมวในวัดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนธรรมะมาฟังเทศฟังธรรมได้ เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเราโชคดีมากได้ได้โชคกลาภอันยิ่งใหญ่<ม><ม>คือได้ถูกลอตเตอรี่รางวาัง<ม>ลวที่หนึ่งแล้วเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราควรจะทําอย่างไร<ม>เราก็รีบเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นที่สํานักสลากกินแบ่งสํานักงานสลากกินแบ่งเพื<ม>่อจะได้เอารางวัลไปใช้อะไรต่อไปได้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 สัพเพบรเรนตุสังกโปวจันโทปนะลาโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุส so ัพพะโรโวินัสตุมาเตภะวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อภพิวาธนสีดิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมะวาะทานตตอายุวะโนสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กลับนมัสการเจ้าค่ะ Facebook 333 YouTube 208ว you oh ิทยุออนไลน์15ผู้รับฟังหน้ากุติ139รวม695ท่านเจ้าค่ะมีคําถามก็เชิญถามได้เลย <c oughs> คําถามฝากถานจากหน้ากุติเจ้าค่ะ คารวาที่สําเร็จกิจแล้วในชาตินี้จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องบวชภายในเจ็ดวันเจ้าค่ะไม่จําเป็นอ่ะแต่จะบวชก่อนเพราะมันไม่อยู่ทําอะไรแนละ้วอ้อนโลกนี้ไม่มีความหมายสําหรับผู้ที่หลุดพ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็แต่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะตายนะไม่มอีอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเนี่ คิดกันไปเองไม่มีไม่มีธรรมะบทใดในในพระตายปีโดที่บอกว่าถ้าคารวาสเป็นพระอาหารแล้วถ้าไม่ได้บวดภายในเจ็ดวันจะตายนี้ไม่มีรับประกันได้ไปค้นหาดูได้เป็นความเข้าใจผิดไปเห็น เห็นเห็นพระราชาบิดาของพระเจ้าตายเจ็ดวันก่อนบวชไอ้ตายบรรลุธรรมเจ็ดวันก่อนบวชแล้วก็ตายก่อนตายก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นคาลวาะถึงตายมันไม่บรรลุก็ตายเพราะมันใกล้จะตายอยู่แล้วอคำถามจากคุณมิกกี้เจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะ หนึ่งขอวิธีสร้างสมาธิที่ง่ายที่สุดต้องทำอย่างไรครับก็นั่งมากๆเลยนั่งนานๆนั่งบ่อยๆง่ายที่สุดข้อสองนรกและสวรรค์มีชั้นอะไรบ้างครับต้องไปเปิดใน Google ดูสวรรค์มีหกชั้นด้วยกันมีโยมชั้นโยมชั้นอะไรจำไม่ได้มีเชื่อต่างนรกก็มีหลายขุมด้วยกัน คำถามจากคุณรัชดาวันเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจะมีเหตุให้ต้องออกจากสมาธิจากอาการไอแล้วกลับเข้าสมาธิไม่ได้เลยค่ะไม่นิ่งสติอ่อนตามความคิดไม่ทันขอเมตตาคำชี้แนะสั่งสอนวิธีแก้ไขและวิธีการเข้าออกสมาธิอย่างถูกวิธีด้วยเจ้าค่ะก็ลองฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะนั่งสมาธิก็พยายามฝึกสติตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาพุโทโธพุโทโธต่อคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานเช่าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขั้นปฐมฌานนี่จัดว่าเป็นอปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิครับ ยังไม่เป็นทั้งสองอย่างจะเป็นอัปนาสมาธินั่นงเข้าสู่ฌานที่สี่ส่วนอุปจารสมาธินี้ต้องหลังจากได้อัปนาสมาธิถึงจะได้อุปจารสมาธิสําหรับคนบางคนไม่ได้ทุกคนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษไม่ได้มีทุกคนเป็นเป็นสมาธิที่ให้เรามีอภิญยา มีตาทิพย์หูทิพย์<ม>ติดต่อกับตายทิพย์ได้<ม><ม>พระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงทำให้เทวดา<ม>ก็ต้องเข้าในอุปจารสมาธิเะฉะนั้นคนที่เข้าได้นี่มีน้อยในในในพวกปฏิบัติด้วยกันนี้ประมาณร้อยละห้าทที่จะเข้าอุปจารสมาธิได้แต่ไม่สำคัญ เพราะว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะพาให้ไปพระนิพานไม่จําเป็นจะต้องมีอุปจาระสมาธิถึงจะไปนิพานได้แต่ต้องมีอัปนาสมาธิมีอุเบกขาถึงจะไปนิพานได้คำถามฝากถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะโยมเปิดร้านค้าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าออกหน้าร้านซึ่งเป็นทางทิศตะวันตก เขาบอกกันว่าห้ามวางพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอย่างนี้จะเป็นอย่างไรใหม่เจ้าคะถามพระพุทธรูปสิว่าเป็นไงไง น, นนะพระพุทธรูปท่านรู้เรือ่าไม่รู้เรื่องหรอกพวกเรามาสมมติกันเองแล้วก็ว่ากันไปเอง พระพุทธรูปทํานไม่รู้ความจริงพระพุทธรูปนี้พระพุทธเจ้าห้ามห้ามไม่ให้สร้างขึ้นมาเสื่ได้ซ้ำไปนี่พวกเราดื้อสร้างกันขึ้นมาพอาสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งกฎระเบียบ ก, กันขึ้นมาเองทั่นเองความจริงมันจะหันไปทางที่ไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันไม่ได้ดีขึ้นหรือเร็วลงอพระพุทธรูปไม่ได้ทําให้เราเร็วขึ้นหรือดีลงไม่ได้ปกป้องคุ้มครองอะไรเราพระพุทธรูปมีหน้าที่อย่างเดียวเตือนสติเรา ให้เราลึกถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็สวรรค์นิพพานเท่านั้นเองเชิญ <c oughs> ถามได้ครับกราบนับสกสาานักพระอาจารย์ครับจริงๆไม่เป็นกระทำส่วนตัวมีคาถามของคุณแม่คุณแม่เองก็พอจะทราบในปฏิบัติอยู่บ้างทุกวันนี้ก็สวดม น, นนะทุกวันนี้ก็สวดมนอยู่ทุกวันนะครับก่อนนอนแต่ว่ามีทุกเวทนาหนักเกี่ยวกับข้อเข่าซึ่งผ่าตัดมาสามสี่ครั้งแล้วพระอาจารย์มี แนวปฏิบัติหรือแนวธรรมะยังไงช่วยแนะนําคุณแม่คือคุณแ ม, <c oughs> แม่ทราบเรื่องการนั้งสมาธิแต่ว่า <c oughs> <c oughs> พอมีทุกขเวทนาเนี่ยมันก็จะจะจ ะ, จ ะ, จะดึงจิตใจไปเดียวนะครับถ้าเวลานั่งเราทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ใช้คําบริกรรมพุทธโธหรือสวดลงไปอย่าไปส่งใจไปหาทุกขเวทนาแล้วใจก็จะลืมแล้วก็จะแม่นเดือดร้อนกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นต้องให้มีอะไรให้ใจทํา เช่สสนสวดอิติปิโสไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเจ็บที่ที่ร่างกายแล้วความเจ็บมันจะไม่มาลบกวนใจอย่าไปสนใจกาลองทําดู้องสวดไปพอ <c oughs> เจ็บก็อิติปิโสปากกวารังสัมมาไปหรือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป <c oughs> อย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บมันจะไม่เข้ามาในใจเรา คำถามคำถามจะคุณไขแสงเจ้าคะ่ะคนที่ป่วยไม่อาจนั่งขัดสมาธิได้หรือเดินได้แคไ่ไม่เกิน2 0่สถึงสาส่วนมากจะนั่งเหยียดขาหรือนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาจะสามารถปฏิบัติเข้าสมาธิได้อย่างไรเจ้าคะ่ะได้อยู่ที่สติถ้ามีสติมันก็เข้าได้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงเดียวเห็นแต่ว่าถ้านั่งสบายมันมักจะหลับมันจะทําให้สติน้อยลงไป <c oughs> <c oughs> คำถามจากคุณจุทาพรเจ้าคะ่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักเหมือนกับตกลงไปในหลุมในบอ่อจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งทำอย่างไรจะไม่ต้องตกลงไปในหลุมในบ่อเจ้าคะ่ะตกล้มตกบอนะดีนั่นนะคือการเข้าสมาธิถ้ามันตกล้มตกบอ่อก็ให้มันตกไปให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปพอามันลงไปแล้วมันนิ่งเฉยๆก็ให้ปล่อยให้มันนิ่งเปนานๆ อันนั้นหละคือสมาธิคำถามจากคุณบุโคมเจ้าค่ะ <c oughs> กราบนมัสการ <c oughs> พระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานทั้งโลกอยากออกบวชเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องเพราะปฏิบัติก็เพื่อที่จะได้ออ ก, ออกบวชกันนั่นเอง แสดงว่าเราจเจริญก้าวหน้าในธรรมเราเห็นธรรมเราเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์อยู่ไปก็เท่านั้นไปทางธรรมแล้วมีโอกาสไปพรานิพานไปสู่ความสุขที่แท้จริงคำถามจากคุณเอเจ้าค่ะ ในการนั่งสมาธิระหว่างหนึ่งการรู้สึกถึงลมไปเรื่อยๆจนออกจากสมาธิกับสองการที่ดูลมไปสักพักแล้วไม่รู้สึกถึงลมหายใจและอยู่กับความว่างแบบใดเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากกว่ากันเจ้าคะแบบที่สองนั่งไปแล้วจิตว่างจิตสงบนั่นคือเป้าหมายถ้านั่งไปแล้วไม่สงบแล้วก็ออกมาก็เหมือนกับไม่ได้อะไรได้บ้างแต่ไม่ได้มาก คำถามจากคุณซออุนเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมมีภรรยาที่เป็นคู่ชีวิตกันดีมาโดยตลอดไปทำบุญกับวัดคูบาอาจารย์สายกรรมาฐานทั่วประเทศวันหนึ่งภรรยาของผมทำผิดศีลข้อสามโดยที่เธอไม่ตั้งใจเธอได้บอกและสำนึกผิดและพยายามทำดีกับผมให้ผมระลึกถึงความดีที่เราเคยทำด้วยกันมารอวันให้ผมให้อภัยภายในใจของผมมีความทุกข์ถึงเป็นแบบนี้เพราะเธอทำความดีมาโดยตลอดพอมาระลึก ถึงกรรมเก่าอาจจะเป็นเพราะผมเคยกระทำกับเขามาในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติกรรมตัวนี้เลยตามมาสนองให้ผมต้องทุกข์ใจผมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะกรรมของผมเคยทำมาใช่หรือไม่และผมกับเขายังจะเป็นผู้บุญบารมีที่สามารถทำความดีเหมือนแต่ก่อนได้หรือไม่หรือผมควรจะเลิกการแล้วเดินคนเดียวแต่ระลึกถึงความดีที่ร่วมกันสร้างมา ก็ทั้งรักทั้งโกรธกราบขอโอกาสให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําเพื่อดําเนินชีวิตต่อไปครับถ้าต้องการที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องไปคนเดียวก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่เราไปด้วยกันได้เป็นทางที่เราไปด้วยกันได้แต่พอมาถึงทางแยกคนหนึ่งก็จะไปอีกทางหนึ่งเราก็ต้องไปอีกทางหนึ่งก็ ถ้าต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานก็ต้องไปคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ต้องออกจากพระราชวังไปคำถามจากคุณวิเชียนเจ้าค่ะวิธีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วแบบไหนจะช่วยให้ท่านได้รับผลบุญสูงสุดครับก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญนั้นไปไอยากจะได้บุญมากก็ทำมากทำร้อยก็ได้ร้อยทำหมื่นก็ได้หมื่นนะครับ อยู่ที่ทำมากทำน้อยคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วเจ้าค่ะมีสองคถามถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่มีความกระตือรือร้นต้องให้เพื่อนคอยเตือนอยู่เสมอเราควรทำอย่างไรเจ้าค่ะเจ้าเหมือนกับอยู่กับหมาไงเวลาอยู่กับหมาทำยังไงก็ต้องคอยกระตุ้นมันนะฮะ ถึงเวลาก็ต้องกระตุ้นต้องบอกมันเพราะมันไม่มีความสามารถที่จะทำาอะได้ด้วยตนเองก็แค่ว่าเราอยู่กับหมาไปก็แ uh. ล้ว <Lauren> กันมันจะยากเย็นตรงไหน <ijn> สองอะไรที่รำให้เราเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่ทำอะไรซุ้มซ่ามบางทีก็หยิบของคนอื่นมาแบบไม่รู้ตัว <ton> เป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะเพราะไม่มีสติเน ใจเราลอยไปขณะที่เราทำอะไรใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรหรือรู้ก็รู้นิดเดียวรู้แล้วก็รู้แล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลืมง่ายเพราะแป๊บเดียวทําป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปนั่นต้ไปยาวฝึกสติให้อยู่กับร่างกายตลอดเวล า, ากับการกระทำทุกอย่างของร่างกายนั่นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย เอนตาตื่นนอนก็ดูที่ร่างกายแต่ตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่บนเตียงเหรลุกขึ้นมานั่งเหรอลุกขึ้มายืนเห ล, ลุกขึ้นมาเดินเนี่ยต้องเฝ้ามันไปอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วต่อไปจะไม่ลืมทําอะไรมันจะจําได้หมดคําถามจากคุณกสิดิษเจ้าค่ะกราบนรมาสการพระอาจารย์ครับ การทำหน้าที่ต่างๆมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกไม่ชอบและไม่พอใจอย่างเช่นการเรียนให้จบแต่คิดว่าทำเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและผมคิดว่าก็ได้ฝึกความอดทนไปด้วยผมคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ ถ, ถูกต้องถ้าเรายัางต้องทำอะไรอยู่ก็ทำไปอย่าเป็นคนล้มเหลวเพราะถ้าเราล้มเหลวทางโลกเดี๋ยวเราก็ไปล้มเหลวทางธรรมต่อ คำถามจากคุณรัชดาวานเจ้าค่ะแม่ชีย้ายวาดัดเจอเจ้าสํานักไม่เค่งคัดนะักมีพระหนึ่งแม่ชีสองรู้แล้วรู้สึกศรัทธาถอยลงเจ้าค่ะแบบนี้จะทำอย่างไงให้อยู่ได้เจ้าคะถ้าจะอยู่ก็ต้องทําใจเราเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปเราจะไปหวังอะไรจากเทองมากก็ไม่ได้ก็ดูตามความเป็นจริงไป ยอมรับสภาพของความเป็นจริงเราก็จะอยู่ได้ถ้าเราไปต่อต้านไม่ไม่ยอมรับความจริงเราก็จะรู้สึกหึด อ, อันทนอยู่ไม่ได้คําถามฝากถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะการนั่งฟังเทศควรหลับตาฟังหรือลืมตาฟังดีกว่ากันคะถ้านั่งหลับตาฟังแล้วมีอาการคล้ายเหมือนจะง่วงนอนตัวยกเอ็ แต่รู้สึกตัวได้ได้ยินเสียงเทศรอาจารย์พอรู้สึกตัวโยกมากขึ้นแล้วลืมตาฟังเทศจะดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะมันทั้งสองอย่างก็มีทั้งทั้งดีและไม่ดีถ้าลืมตาแล้วถ้าไม่มีสติเดี๋ยวไปดูคนนั้นคนนี้แทนที่จะฟังเทศมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหลับตามันก็อาจจะทำให้ง่วงหลับได้ถ้าไม่มีสติมากพอ งั้นก็ต้องดูดูความจริงในตอนนั้นว่านามิสติมากพอที่จะหลับตาฟังได้หรือเปล่าถ้าหลับตาฟังแล้วไม่ง่วงก็หลับตาฟังไปจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราหลับตาแล้วมันง่วงก็อาจจะต้องลืมตาแล้วก็ฟังไปแต่เวลาลืมตาก็อย่าไปมองที่นู่นที่นี่มองที่ตัวเรามองที่มือเราก็ได้ กำลันั่งสมาธิฟังเทศไปแล้วก็ดูที่หน้าตักเราอย่าไปดูคนนั้นดูคนนี้ <Yeah. S 1> ถ้าดูคนนั้นดูคนนี้มันก็จะฟังธรรมไม่รู้เรื่องคำถามจากคุณลีลาพรเจ้าค่ะการทําบุญให้ผู้ร่วงลับโดยการถวายสังฆทานหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบให้ผู้ร่วงลับจะได้รับผลบุญมากกว่ากันคะ มีวิธีเดียวที่อุทิศบุญน่ะที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้ทําบุญทําทานพระท่านไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติวิปัสนาและอุทิศบุญไปอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจของเรากันเองแต่าตามถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ท่านสอนให้ทําบุญทําทานเวลาที่เราจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว แม้แต่หลวงตามหาบัวท่านก็ยังพาทําบุญทําทานอุทิศบุญให้กับมารดาของท่านทุกปีกวันวันปลายปีเดือนพฤษภาเมือ่อเดือนไหนไม่ทราบก็จะมีทําบุญเปิด โ, โลกธาตุน่ะอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับทั้งหลายไป<ม>ก็ใช้บุญท่านไม่ได้ใช้การเป็นพระอริยะของท่านเอาบุญของท่านไปไปอุทิศ เังนั้นเราเข้าใจผิดกันเราคิดว่าบุญสามารถเอาบุญทุกชนิดสามารถเอาไปอุทิศได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าดูตามหลักที่พทธเจ้าทรงสอนนี้ท่านสอนให้เราอุทิศบุญด้วยการทำทานท <Yeah. S 1> าบุญทำทาน <Yeah. S 1> เช่นใส่บาตถวายสังฆทานหรือบริจาคเงินให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออะไรก็ได้คาถามจากคุณกุหลาบเจ้าค่ะ น้องกับสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้ามีเพื่อนๆโอนเงินมาเพื่อให้ลูกซื้อของแจกจ่ายให้กับคนที่ลำบากตกงานที่พัทยาอย่างนี้ลูกจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะและนี่คือการทําทานหรือไม่เจ้าคะได้บุญแต่ไม่ใช่ได้บุญที่เกิดจากการทําทานเพราะว่าเราไม่ได้เสียเงินของเราเองเป็นเงินของคนอื่นคนที่เสียเงินก็ได้ทําทานแต่เราได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่น อันนี้ก็เป็นเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บุญที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองคนรบครบชนิดกันแต่ก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นบรรญาโยมที่มาช่วยเผยแผ่ธรรมะนี่ก็เป็นการรับใช้ผู้อื่นคำถามจากคุณนิชานันเจ้าค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามเรื่องอายุไขของคนทุกคน เป็นเรื่องการกําหนดมาจากอะไรคะแต่ละคนถึงอายุไขไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อายุยังน้อยหรือถูกกําหนดมาแล้วว่าคนนี้ต้องอายุเท่านี้หรือเป็นเรื่องของการหมดกรรมเจ้าคะอ๋อมันมีหลายปัจจัยด้วยกันปัจจัยทางร่างกายปัจจัยทางใจปัจจัยทางใจก็คือบุญกรรมที่เราทํามาปัจจัยทางร่างกายก็คืออาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดหรือ อาจมีโรคระบาดหรือว่าเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่มันมีภัยแล้วเกิดอุบัติภัยขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนตายได้แต่มันไม่ได้อยู่ที่บุญที่กรรมเพียงอย่างเดียวอยู่ที่อย่างอื่นด้วยร่างกายอาจจะได้ร่างกายที่ไม่ดีมาเป็นกรรมพันมีมีโรคติดมาตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กนีก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมพันไปดันั้นมันมีลายเหตุหลายปัจจัย ซึ่งเราไม่ควรที่จะต้องไปเสียเวลาคิดให้เสียเวลาเปล่าๆให้รู้เพียงข้าวๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้งั้นรีบรีบตักตวงเวลาที่เรายังไม่ตายนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่า <c oughs> อย่าไปเสียเวลาก็มานั่งคิดเลยว่าเราจะตายด้วยจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยเหตุอะไร <c oughs> มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็ต้องตายอยู่ดี คำถามจะคุณน้ำครึ่งแก้วเจ้าค่ะถ้าเราฝึกให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นการฝึกสติใหม่เจ้าคะเป็นการฝึกสติ mm hmm. คำถามจากคุณนวินเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับโมหะที่บอกว่ามีโทษมากคลายช้าเป็นเช่นไรครับ คือโมหะเป็นต้นเหตุของกิเลสไงต้นเหตุของความโลภของความโกรธโมหะคือการไม่เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วก็ไปเห็นว่ามันเป็นสุขพอเราไปเห็นว่าเป็นสุขเราก็ไปคว้ามันมาพอคว้ามันมาปั๊บมันก็กัดเราเหมือนไปเห็นงูเห่าว่าเป็นปาลาไหลอย่างนี้ ก็คิดว่าเป็นอาหารนันโอชะพอไปคว้ามันไปจับมันก็ดอนขึ้นหัวเห่ากัดตายได้นี่เรียวกว่าโมหะความหลงความไม่รู้ความจริงคำ ถ, ถามจากคุณจตุรนเจ้าค่ะกราบนำรัศการถามหลวงปู่ครับ กระผมภาวนาจดจ่ออยู่กับพุโทโธแล้วเห็นความเกิดดับของจิตของอารมณ์ความคิดว่าเกิดจากจิตไปหลอกกระผมภาวนาเป็นไปเพื่อสมาธิใหม่ครับไม่เป็นหล้วอันนี้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านมากกว่างั้นเวลานั่งสมาธินี้อย่าไปดูอาการต่างๆให้ดูลมอย่างเดียวหรือให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอาการต่างๆจะเกิดจะดับนี้ไม่ต้องไปสนใจ เราต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างถ้าเราไปดูอาการต่างๆแล้วใจมันก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณกสิเดเจ้าค่ะถ้าทางโลกเรายังทำหน้าที่ได้ไม่สำเร็จสมบูรณ์แสดงว่าบา ร, รมียังไม่ถึงที่จะไปทางธรรมได้เต็มที่ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันแสดงว่าเรายังไม่มีกำลังไปทางธรรมนส่สิเราก็ยังอยู่ทางโลกไปก่อน ถ้าเรามีกำลังไปทางธรรมแล้วก็ไปหมดแล้วเลยดีพอดีก็หมดเวลาพอดีก็คิดว่าเวลาพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด